ลักษณะมหาบุรุษสามิบสองประการครั้งนั้นเมื่อล่วงไปเจ็ดเดือน อุตรมานบได้หลีกจาริกไปทางกรุงมิถิลาในแคว้นวิเทหะเมื่อเที่ยวจาริกไปตามลำดับได้เข้าไปหาพรห ม, มายุพราหมถึงที่อยู่ในกรุงมิถิลากราบแล้วนั่งหน้าที่สมควรพรห ม, มายุพราหมถามอุตรมานบว่าพ่ออุตรกิตติศัพท์ของท่านพระโคดมที่ขอจรไปเป็นเช่นนั้นจริงไม่เป็นอย่างอื่นเลยหรือ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 ข้อที่ท่านพระโคดมมีฝาพระบาทราบเมมสมอกันนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 2. พื้นฝาพระบาททั้งสองของท่านพระโคดมนี้มีจักรซึ่งมีกรำข้างละพัน ส, สี่มีกรงมีดุมและมีส่วนประกอบครบทุกอย่างข้อที่พื้นฝาพระบาททั้งสองของท่านพระโคดมนี้มีจักซึ่งมีกรำข้างละพันสี่มีกรงมีดุม และมีส่วนประกอบครบทุกอย่างนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 3. มมีส้นพระบาทยื่นยาวออกไปข้อที่ท่นพระโคดมมีส้นพระบาทยื่นยาวออกไปนี้เป็นลักษณะมห like าบุรุษของมหาบุรุษนั้น 4. มีพระองคุลียาวข้อที <im <im> <im <im ่ท่นพระโคดมมีพระองคุลียาวนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น หมีพระหัตต์และพระบาทอ่อนนุ่มข้อที่ท่านพระโคโดมมีพระหัตต์และพระบาทอ่อนนุ่มนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น6กฝาพ ร, ระหัตต์และฝาพระบา ท, ท, าาทาโโ ม, ม, มีเส้นที่ข้อพระองค์ุลีจดกันเป็นรูปตาข่ายข้อที่ท่านพระโคดมมีฝาพระหัตต์และฝ่าพระบาทมีเส้นที่ข้อพระองค์ุลีจดกันเป็นรูปตาข่ายนี้ เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 7. มีข้อพระบาทสูงข้อที่ท่านพระโคดมมีข้อพระบาทสูงนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 8. มีพระชงเรียวดุจแข้งเนื้อสายข้อที่ท่านพระโคดมมีพระชงเรียวดุจแข้งเนื้อสายนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้นเ เมื่อประทับยืนไม่ต้องน้อมพระองค์ลงก็ส่งลูกคลำถึงพระชานุด้วยฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองได้ข้อที่แท่นพระโคดมเมื่อประทับยืนไม่ต้องน้อมพระองค์ลงก็ส่งลูกถึงพระชานุด้วยฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองได้นี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้นสิบมีพระคุยหัานอันเร้นอยู่ในฝักข้อที่แท่นพระโคดมมีพระคุยหฐานอันเร้นอยู่ในฝักนี้ เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 11. มีพระชวีสีทองมีพระชวีเปล่งปลั่งดุจทองคำข้อที่ท่านพระโคโดมมีพระชวีสีทองมีพระชวีเปล่งปลั่งดุจทองคำนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 12. สองมีพระชวีละเอียดจนละองทุลีไม่อาจติดพระวรากายได้ ข้อที่ท่านพระโคโดมมีพระชวีละเอียดจนละอองทุลีไม่อาจติดพระวรากายได้นี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 13. มีพระลมชาติเดียวคือในแต่ละขุมมีเพียงเส้นเดียวข้อที่ท่านพระโคดมมีพระลมชาติเดียวคือในแต่ละขุมมีเพียงเส้นเดียวนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 14. มีพระโลมชาติปลายงอนขึ้นคือพระโลมชาติขอดเป็นวงเวียนขวาดังกุณทนสีครามเข้มดังดอกอัญชันข้อที่ท่านพระโคโดมมีพระโลมชาติปลายงอนขึ้นคือพระโลมชาติขอดเป็นวงเวียนขวาดังกุณทนสีครามเข้มดังดอกอัญชันนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้นสิบห้า มีพระวรกายตั้งตรงดุจกายพรหมข้อที่ท่านพระโคดมมีพระวรกายตั้งตรงดุจกายพรมนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 16. มีพระมังสะในที่เจ็ดแห่งเต็มบริบูรณ์ข้อที่ท่านพระโคดมมีพระมังสะในที่เจ็ดแห่งเต็มบริบูรณ์นี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น17 มีพระวรกายทุกส่วนบริบูรณ์ดุลลำตัวท่อนหน้าของราชสีข <commercials blossoms cass accomplishment> <ay> ้อที่ท่านพระโคดมมีพระวรกายทุกส่วนบริบูรณ์ดุลลำตัวท่อนหน้าของราชสีนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้นสิบแปดมีร่องพระปริสดางเต็มเสมอกันข้อที่ท่านพระโคดมมีร่องพระปริสดางเต็มเสมอกันนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น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 เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น22มีพระหรานุดุดขางราชสีข้อที่ท่านพระโคดมมีพระหานุดุดขางราชสีนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น23มีพระทน44ข้อที่ท่านพระโคดมมีพระทนส4ี่นี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น24 มีพระทนเรียบเสมอกันข้อที่ท่านพระโคดมมีพระทนเรียบเสมอกันนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้นสหมีพระทนไม่ห่างกันข้อที่ท่านพระโคดมมีพระทนไม่ห่างกันนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น26มีพระเขี้ยวแก้วขาวงามข้อที่ท่านพระโคดมมีพระเขี้ยวแก้วขาวงามนี้ เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้นยี่สิบเจ็มีพระชิวหาใหญ่ยาวข้อที่ท่านพระโคดมมีพระชิวหาใหญ่ยาวนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น28มีพระสุรเสียงดุดเสียงพรมตรัสดุดเสียงร้องของนกกระเวกข้อที่ท่านพระโคดมมีพระสุรเสียงดุดเสียงพรมตรัดดุดเสียงร้องของนกกระเวกนี้ เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น29้มีพระเนตรดำสนิทข้อที่ท่านพระโคดมมีพระเนตรดำสนิทนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น30มมีดวงพระเนตรแจ่มใสดุจตาลูกโคพึ่งคลอดข้อที่ท่านพระโคดมมีดวงพระเนตรแจ่มใสดุจตาลูกโคพึ่งคลอดนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 31มีพระอุณาลมระหว่างพระขนงสีขาวอ่อนเหมือนปุยนุ่นข้อที่ท่านพระโคโดมมีพระอุณาลมระหว่างพระขนงสีขาวอ่อนเหมือนปุยนุ่นนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น32มีพระเสียรดุจประดับด้วยกรอบพระพักข้อที่ท่านพระโคดมมีพระเสียรดุจประดับด้วยกรอบพระพักนี้ เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้นท่านผู้เจริญท่านพระโคดมพระองค์นั้นทรงประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32มองประการนี้แหลท่านผู้เจริญท่านพระโคดมพระองค์นั้นทรงประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32องประการนี้แหลท่านพระโคดมพระองค์นั้นเมื่อจะทรงดำเนินทรงก้าวพระบาทเบื้องขวาก่อนไม่ก้าวพระบาทยาวนัก ไม่ก้าพระบาทสั้นนักไม่ทรงดำเนินเร็วนักไม่ทรงดำเนินช้านักขณะทรงดำเนินพระชานุกับพระชานุไม่เสียดสีกันข้อพระบาทกับข้อพระบาทไม่กระทบกันไม่ทรงยกพระอุรุสูงไม่ทรงทอดพระอุรุไปข้างหลังไม่ทรงกระแทกพระอุรุไม่ทรงสายพระอุรุเมื่อทรงดำเนินพระวรกายส่วนบนไว้ ทรงดำเนินไม่ใช้กำลังมากเมื่อทอดพระเนตรทรงเหลียวดูไปทั้งพระวรกายไม่ทรงแงนดูไม่ทรงก้มดูขณะทรงดำเนินไม่สายพระเนตรทรงทอดพระเนตรประมาณชั่วแอกยิ่งกว่านั้นพระองค์ทรงมีพระญาณทัศนะไม่มีอะไรขวางกั้นได้เมื่อเสด็จเข้าสู่ละแวกบ้านไม่ทรงยืดพระวรกายไม่ทรงย่อพระวรกาย ไม่ทรงห่อพระวรกายไม่สงสายพระวรกายเสด็จเข้าประทับนั่งบนพุทธาฏไม่ใกลนักไม่ใกล้นักไม่ประทับนั่งเท้าพระหัตบนพุทธาฏไม่ทรงพิงพระวรกายที่พุทธาฏเมื่อประทับนั่งในะแวกบ้านไม่ทรงขนองพระหัตไม่ทรงขนองพระบาทไม่ประทับนั่งชันพระชานุไม่ประทับนั่งซ้อนพระบาท ไม่ประทับนั่งเอาฝ่าพระหัตยันพระหานุเท้าคางเมื่อประทับนั่งในละแวกบ้านไม่ทรงคลั่นครามไม่ทรงวันไหวไม่ทรงคลาดไม่ทรงสะดุ้งทรงปราศจากโลมชาติชูชันทรงพอพระไทยในวิเวกเมื่อทรงรับน้ำล้างบาทไม่ทรงชูบาทขึ้นรับไม่ทรงลดบาทลงรับไม่ทรงยื่นบาทคอยรับไม่ทรงแกว่งบาทคอยรับ ทรงรับน้ําล้างบาทไม่น้อยนักไม่มากนักไม่ทรงล้างบาทดังขลุกขลุกไม่ทรงล้างบาทด้วยวิธีหมุนไม่ทรงวางบาทที่พื้นทรงล้างบนพระหัตถ์เมื่อทรงล้างพระหัตถ์ก็เป็นอันทรงล้างบาทเมื่อทรงล้างบาทก็เป็นอันทรงล้างพระหัตถ์ทรงเทน้ําล้างบาทไม่ไกลนักไม่ใกล้นักและทรงเทน้ำล้างบาทไม่ให้น้ํากระเซ็นเมื่อทรงรับข้าวสุก ก็ไม่ทรงฉูบาดขึ้นรับไม่ทรงลดบาดลงรับไม่ทรงยื่นบาดคอยรับไม่ทรงแกว่งบาดคอยรับทรงรับเข้าสุขไม่น้อยนักไม่มากนักทรงรับกับข้าวเสวพระกรยาหารพอประมาณกับข้าวไม่ทรงทำกับข้าวให้เกินกว่าคำข้าวทรงเคี้ยวคาข้าวข้างในพระโอษฐ์สองสามครั้งแล้วทรงกลืนข้าวยังไม่ละเอียดไม่ทรงกลืนลงไป ไม่มีข้าวเหลืออยู่ในพระโอษฐ์จึงน้อมคําข้าวอีกคําหนึ่งเข้าไปทรงมีปกติกําหนดรถอาหารแล้วเสวยอาหารแต่ไม่ทรงติดในรถท่านพระโคดมพระองค์นั้นเสวยพระกริยาอาหารประกอบด้วยองค์8ประการคือ 1. ไม่เสวยเพื่อเล่น 2. ไม่เสวยเพื่อมัวเมา 3. ไม่เสวยเพื่อประดับ 4. ไม่เสวยเพื่อตกแต่ง 5้สวยเพื่อดำรงพระวรากายนี้ไว้ 6. เสวยเพื่อยังพระชนให้เป็นไปได้เสวยเพื่อป้องกันความลาบาก 8. ปสวยเพื่อทรงอนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยทรงพระดำรีว่าเพียงเท่านี้ก็จะกำจัดเวทนาเก่าจากไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นร่างกายของเราจากดำเนินไปสะดวกไม่มีโทษและอยู่สาราญ ท่านพระโคดมพระองค์นั้นเสวยพระกริยาหารเสร็จแล้วเมื่อจะทรงรับน้าล้างบาตรไม่ทรงชูบาตรขึ้นรับไม่ทรงลดบาตรลงรับไม่ทรงยื่นบาตรคอยรับไม่ทรงแกว่งบาตรรับทรงรับน้ำล้างบาตรไม่น้อยนักไม่มากนักไม่ทรงล้างบาตรดังคลุกขลุกไม่ทรงล้างบาตรด้วยวิธีหมุนไม่ทรงวางบาตรที่พื้นทรงล้างบนพระหัตเมื่อทรงล้างพระหัต ก็เป็นอันทรงล้างบาทเมื่อทรงล้างบาทก็เป็นอันทรงล้างพระหัตทรงเทน้ําล้างบาทไม่ไกลนักไม่ใกล้นักทรงเทน้ําล้างบาทไม่ให้น้ํากระเซ็นเสวยพระกิรยาหารเสร็จแล้วไม่ทรงวางบาทที่พื้นทรงวางไว้ในที่ไม่ไกลนักไม่ใกล้นักจะไม่ทรงต้องการบาทก็หามิได้จะตามรักษาบาทตลอดก็หามิได้ สวยเสร็จแล้วประทับนิ่งเฉยอยู่ครู่หนึ่งแต่ไม่ทรงปล่อยเวลาอนุโมทนาให้ล่วงไปสวยเสร็จแล้วก็ทรงอนุโมทนาไม่ทรงติเตียนพัดนั้นไม่ทรงมุ่งหวังพัดอื่นทรงชี้แจงให้บริษัทเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถานแกล้วกล้ า, ลาปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคถาแล้ว พระองค์เสด็จลูกจากพุทธาสถาเสด็จไปก็ไม่เสด็จเร็วนักไม่เสด็จช้านักไม่ผลุนผลันเสด็จไปไม่ทรงจีวรสูงเกินไปไม่ทรงจีวรต่ําเกินไปไม่ทรงจีวรแน่นติดพระวรากายเกินไปและไม่ทรงจีวรหลุดลุยจากพระวรากายทรงจีวรไม่ให้ลมพัดแหวกได้ทั้งฝุ่นละอองไม่ติดพระวรากายเสด็จถึงพระอารามแล้ว ประทับนั่งบนพุทธาถาที่ปูลาดไว้จึงทรงล้างพระบาทไม่ทรงสัยพระไทยเพื่อประดับตกแต่งพระบาทอยู่ทรงล้างพระบาทแล้วประทับนั่งคู่บัลลังก์ตั้งพระวรกายตรงดํารงพระสติไว้เบื้องพระพักไม่ทรงดำริเพื่อเบียดเบียนพระองค์ไม่ทรงดำริเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่ทรงดำริเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายประทับนั่งทรงดำริแต่สิง่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์ สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายและสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่โลกทั้งปวงเท่านั้นประทับอยู่ในอารามก็ทรงแสดงธรรมในบริษัทไม่ทรงยกย่องบริษัทไม่ทรงลุกรานบริษัทโดยที่แท้ทรงชี้แจงให้บริษัทเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อานหารกแลกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีกถาแล้ว ท่านพระโคดมพระองค์นั้นทรงมีพระสุรเสียงกลกกล้องเปล่งออกจากพระโอษฐ์ประกอบด้วยองค์8ประการคือ 1. นุ่มนวล 2. ฟังชัดเจน 3. ไภไพเราะ 4. ฟังง่าย 5. กลมกลม่อม 6. ไม่พรา่า 7. ลุ่มลึก 8. มีกลางวานพระสุรเสียงที่พระองค์ทรงสอนบริษัทให้เข้าใจ มิได้กล้องออกไปนอกบริษัทนั้นชนทั้งหลายที่ท่านพระโคโดมทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราจะให้อาดหารแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธทรมมีคถาแล้วจึงลุกจากที่นั่งจากไปยังเหลียวดูโดยไม่อยากจากไปต่างรำพึงว่าเราได้เห็นท่านพระโคโดมพระองค์นั้นทรงดำเนินประทับยืนเสด็จเข้าละแวกบ้าน ประทับนั่งนิ่งในละแวกบ้านกำลังเสวยพระกรยาหาในละแวกบ้านเสวยเสร็จแล้วก็ประทับนั่งนิ่งเสวยเสร็จแล้วทรงอนุโมทนาเสด็จกลับมายังพระอารามเสด็จมาถึงพระอารามแล้วประทับนิ่งอยู่ประทับอยู่ในพระอารามแล้วทรงแสดงธรรมในบริษัทท่านพระโคดมพระองค์นั้นทรงพระคุณเช่นนี้เช่นนี้และทรงพระคุณยิ่งกว่าที่กล่าวแล้วนั้น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 ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วคิดว่าทำอย่างไรหนอเราจึงจะได้พบท่านพระโคโดมพระองค์นั้นสักครั้งหนึ่งทำอย่างไรเราจึงจะได้สนทนาปราศัยกับท่านพระโคโดมบ้างครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเมื่อเสด็จารึกไปในแคว้นวิเทหะโดยลำดับเสด็จถึงกรุงมิถิลาได้ทราบว่าณนะที่นั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยูณ่ณศูนมะม่วงของพระเจ้ามะขะเทวะเขตกรุงมิถิลาพรามและข้บดีชาวกรุงมิถิลาได้สดดับข่าวว่าได้ยินว่าพระสมณะโคโดมเป็นศากยะบุตรทรงผนวจจากสากยะตรกูลเสด็จจาริกไปในแคว้นวิเทหะพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อยรูปเสด็จถึงกรุงมิถิลาแล้ว ประทับอยู่ในสวนมะม่วงของพระเจ้ามค ะ, ะเทวะเขกรุงมิถิลาท่านพระโคดมพระองค์นั้นมีกิติศัพท์อันงามประจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพีย่พร้อมด้วยวิชาและจรณนะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารทีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย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 พร ม, มายุพรามเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพรมมายุพราหมณ์ได้สดับข่าวว่าได้ยินว่าพระสมณะโคดมเป็นศักยะบุตรทรงผนวจากศักยะตระกูลเสด็จถึงกรุงมิถิลาแล้วประทับอยู่ณสวนมะม่วงของพระเจ้ามฆะเทวะเขขกรุงมิถิลาครั้งนั้นแหละพรมมายุพราหมณ์พร้อมด้วยมานพเป็นอันมากพากันเข้าไปยังสวนมะม่วงของพระเจ้ามฆะเทวะ ลำดับนั้นในที่ไม่ไกลจากศูนย์มะม่วงของพระเจ้ามค ะ, ะเทวะพรมมายุพรามได้คิดว่าการที่เราไม่นัดหมายให้ทรงทราบก่อนแล้วเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมไม่ควรแก่เราเลยลำดับนั้นพรมมายุพรามเรียกมานกคนหนึ่งมาสั่งว่ามาเถิดพ่อมานกพ่อจงเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมถึงที่ประทับ แล้วจ <seafood> ุงทูลถามพระสมณะโคดมถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาทน้อยกระปรี้กระเป่ามีพระพลานมัยสมบูรณ์อย <natives> ู่สำราญตามคำของเราว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพรหมายุพรามทูลถามท่านพระโคดมถึงความมีพระสุขภาพความมีพระโรคาพาทน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพระพลานมัยสมบูรณ์อยู่สำราญและจงกราบทูลอย่างนี้ว่า ข้าแต่ท่านพระโคโดมพรหมายุพรามเป็นคนชราเป็นคนแก่เป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับจนมีอายุร2อยี่สิบปีนับแต่เกิดจบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันธุศาสตร์เยตุพศาสตร์อักษ ร, รศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและวยายกรชำนาญโลกายตศาสต์และลักษณะมหาบุรุษข้าแต่ท่านพระโคโดม พราหมณ์และข้าบดีมีประมาณเท่าใดอยู่อาศัยในครุงมิถิลาพรหมอายุพราหมณ์ปรากฏว่าเป็นผู้เลิศกว่าพราหมณ์และข้าบดีเหล่านั้นเพราะโภคะมนอายุและยศท่านปรารถนาที่จะเข้าเฝ้าท่านพระโคโดมมานพนั้นรับคําพรหมอายุพราหมณ์แล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับสนทนาปราัยพอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นที่เราลึกถึงกันแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมพรห ม, มายุพรามทูลถามท่านพระโคโดมถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาทนอ้อยกระปรี้กระปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญและฝากกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคโดม พรหมมายุพรามเป็นคนชราเป็นคนแก่เป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านไวัยมาโดยลำดับจนมีอายุร้อยี่สิบปีนับแต่เกิดจบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันทุศาสตร์เจตุพศาสต์อักษ ร, รศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและวยยกรชำนาญโลกายัตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษข้าแต่ท่านพระโคดม พราหมณ์และข้าดีมีประมาณเท่าใดอยู่อาศัยในครุงมิทิลาพรหมายุพราหมณ์ปรากฏว่าเป็นผู้เลิ ก, กว่าพราหมณ์และข้าพดีเหล่านั้นเพราะโภคะมลอายุและยศท่านปรารถนาจะเข้าเฝ้าท่านพระโคโดมพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามานพพรหมายุพราหมณ์จงกาหนดเวลาที่สมควรณนะบัดนี้เถิด หลังจากนั้นมานกนั้นจึงเข้าไปหาพรหมมยุพรามถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับพรหมมยุพรามว่าท่านเป็นผู้ที่ท่านพระสมณะโคดมทรงประทานโอกาสแล้วจงไปในเวลาที่เห็นสมควรเถิด พรหมายุพรามขอดูพระชิวหาและพระคุยหาฐานครั้งนั้นแหลพรหมายุพรามเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับบริษัทนั้นได้เห็นพรหมายุพรามมาแต่ไกลจึงรีบลุกขึ้นให้โอกาสตามสมควรแก่เขาเปรียบเหมือนลุกขึ้นให้โอกาสแก่ผู้มีชื่อเสียงมียศลำดับนั้นพรหมายุพรามได้กล่าวกับบริษัทนั้นว่าอย่าเลยท่านผู้เจริญทั้งหลาย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 เว้นอยู่สองประการคือ 1. พระคุยหาฐานอันเร้นอยู่ในฝัก 2. พระชิวหาใหญ่จึงยังเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในลักษณะมหาบุรุษอีกสองประการต่อจากนั้นพรหมายุพรามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าข้าแต่ท่านพระโคดมลักษณะมหาบุรุษที่ข้าพระองค์ได้สดับมาว่ามี32ประการ แต่ยังไม่เห็นอยู่สองประการในพระวรกายของพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้สูงสุดกว่านรชนพระคุยหาฐานของพระองค์เร้นอยู่ในฝักที่ผู้รู้กล่าวกันว่าคล้ายของนารีหรือพระชิวหาของพระองค์ได้นรลักษ์หรือพระองค์มีพระชิวหาใหญ่หรือข้าพระองค์จะพึงทราบความข้อนั้นได้อย่างไรขอพระองค์ทรงค่อยๆนาพระลักษณะนั้นออกมาเถิด ขอได้โปรดกาจัดความสงสัยของข้าพระองค์ด้วยเถิดท่านฤาษีถ้าพระองค์ทรงประทานโอกาสข้าพระองค์จะขอทูลถามปัญหาที่ข้าพระองค์ปรารถนาบางอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อกูในปัจจุบันและเพื่อความสุขในสัมปรายภพครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงดําริว่าพระ ม, มายุพรามนี้เห็นลักษณะมหาบุรุษสามสสองประการของเราโดยมากเว้นอยู่สองประการคือ 1. คุยหฐานอันเร้นอยู่ในฝัก 2. ชิวหาใหญ่จึงยังเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในลักษณะมหาบุรุษอีกสองประการลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงบรรดาอิทาพิสังขารให้พรมมายุพราหม์ได้เห็นพระคุยหฐานอันเร้นอยู่ในฝักและทรงแลกพระชิวหาสอดเข้าในช่องพระกันทั้งสองข้างกลับไปกลับมา ทรงสอดเข้าในช่องพระนาสิกทั้งสองข้างกลับไปกลับมาทรงแผ่พระชิวหาปิดทั่วมนทลพระนาราตลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพรหมมยุพราม์ด้วยพระคถาว่าพราม์ลักษณะมหาบุรุษที่ท่านได้สดับมาว่ามีส2สองประการนั้นมีอยู่ในกายของเราครบทุกอย่างท่านอย่าสงสัยพรามสิ่งที่ควรรู้เราได้รู้ยิ่งแล้ว สิ่งที่ควรเจริญเราได้เจริญแล้วและสิ่งที่ควรละเราก็ละได้แล้วเพราะเหตุนั้นเราจึงเป็นพุท ธ, ธะท่านได้รับโอกาสแล้วจงถามปัญหาบางอย่างที่ท่านปรารถนาเถิดเพื่อประโยชน์เกื้อคูลในปัจจุบันและเพื่อความสุขในสัมปายภพครั้งนั้นแหลพรมมายุพรามได้คิดว่าเราเป็นผู้ที่พระสมณะโคดมประทานโอกาสแล้ว จะทูลถามถึงประโยชน์ในปัจจุบันหรือประโยชน์ในสัมป라ยภพลำดับนั้นพรห ม, มายุพรหมได้คิดว่าเราฉลาดประโยชน์ในปัจจุบันแม้คนเหล่าอื่นก็ถามเราถึงประโยชน์ในปัจจุบันทางที่ดีเราควรทูลถามประโยชน์ในสัมป라ยภพกับพระสมณโคดมเถิดต่อจากนั้นพรห ม, มายุพระมได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่า ค่าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเป็นพรามได้อย่างไรเป็นผู้จบเวทได้อย่างไรเป็นผู้มีวิชาสามได้อย่างไรบัณฑิตเรียกบุคคลผู้มีความสวัสดีว่าอะไรบุคคลเป็นพระอรหันต์ได้อย่างไรบุคคลมีคุณครบถ้วนได้อย่างไรบุคคลเป็นมุนีได้อย่างไรและบัณฑิตเรียกพระพุทธเจ้าว่าอะไรลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสต่อพราหมณ์ด้วยพระคถาว่าผู้ใดระลึกชาติก่อนๆได้เห็นสวรรค์และอบายบรรลุถึงความสิ้นชาติผู้นั้นชื่อว่าเป็นมุนีผู้รู้ยิ่งถึงที่สุดมุนีนั้นย่อมรู้จิตอันบริสุทธิอันพ้นจากราคะทั้งหลายโดยประการทั้งปวงเป็นผู้ละชาติและมรณะได้แล้วชื่อว่ามีคุณครบถ้วนแห่งพรหมจรรย์ ชื่อว่าถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงบัณฑิตเรียกพระพุทธเจ้าว่าผู้คงที่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพรห ม, มายุพรามลุกขึ้นจากที่นั่งห่มผ้าเฉวียงบ่ามอบลงแทะพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวจุมพิตพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยปากนวดด้วยฝ่ามือทั้งสองและประกาศชื่อของตนว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์เป็นพรามชื่อพรหมมายุข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์เป็นพรามชื่อพรหมมายุครั้งนั้นแลบริษัทหมูนั้นเกิดความอัศจรรย์ใจว่าหน้าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏท่านผู้เจริญพระสมณะเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากพรหมมายุพรามนี้เป็นผู้มีชื่อเสียงมียศ ยังทำความเคารพยกย่องอย่างยิ่งเช่นนี้หลังจากนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพรหมายุพรามว่าพอละพราหม์เชิญท่านลุกขึ้นนั่งบนที่นั่งของตนเถิดเพราะจิตของท่านเลื่อมใสในเราแล้วจากนั้นพรหมายุพรามจึงลุกขึ้นนั่งบนที่นั่งของตน ทรงแสดงอนุปปภีคาถาครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสอนุปปภีคาถาแก่พรห ม, มายุพรามคือทรงประกาศเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษความต่าทรามความเร้ามองแห่งกามและอานิสงส์ในการออกบวชเมื่อทรงทราบว่าพรห ม, มายุพรามมีจิตควรบรรลุธรรมสงบอ่ อ, อนปราศจากนิวร์ เบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุ ก, กรังสิกะเทศนาคือทุกสมุทัยนิโรธมักถ้ามาจากสุอันไรทุลีคือกิเลสปราศจากมลทินเกิดขึ้นแก่พรห ม, มยุพรามบนที่นั่งนั่นเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมณทิน ควรรับน้ำยอมได้เป็นอย่างดีลำดับนั้นพรมายุพรามเห็นธรรมบรรลุธรรมรู้ธรรมย่งลงสู่ธรรมหมดความสงสัยไม่มีคำถามใดๆมีความแกล้วกล้ า, ลาไม่ต้องเชื่อใครอีกในหลักคำสอนของพระาศาสดาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าผ้าแต่ท่านพระโคดมพระพาสิกของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนัก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 พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านพระโคโดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผููถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตอันหนึ่งขอท่านพระโคโดมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดรับพัตาหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษเนีภาพ พรหมมยุพรามทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทําประทักษิณแล้วจากไปเมื่อล่วงราตรีนั้นไปพรหมมยุพรามได้ตระเตรียมของเชี้ยวของฉันอันประณีตไว้ในนิเวศของตนแล้วใช้ให้คนไปกราบทูลพัตการกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมถึงเวลาแล้ว พระพุทธเจ้าค่าพัะตาหารสําเร็จแล้วครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังนิเวศของพร ม, มายุพราหมณ์แล้วประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้แล้วพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ต่อมาพรมมายุพราหมณ์ได้อังคาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้อิ่มน้ําด้วยของเคี้ยวของฉันอันประนีต ด้วยมือของตนตลอดเจ็ดวันเมื่อล่วงเจ็ดวันนั้นไปพระผู้มีพระภาคได้เสด็จจาริไปในแคว้นวิเทหะเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปแล้วไม่นานนักพรหมมยุพรามก็ได้สิ้นชีวิตไปครั้งนั้นภิกษุเป็นอันมากพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาตแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพรห ม, มายุพรามสิ้นชีวิตแล้วคติของเขาเป็นเช่นไรสัมปรายภพของเขาเป็นเช่นไรพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายพรห ม, มายุพรามเป็นบัณฑิตได้บรรลุธรรมและธรรมตา ม, ตามลำดับไม่เบียดเบียนเราให้ลำบากเพราะเหตุแห่งธรรมเลยพรห ม, มายุพรามเป็นโอปปาติกะ เพราะโอรัมพาคยสังโยดห้าประการสิ้นไปจากปรินิพานในภพนั้นไม่กลับมาจากโลกนั้นอีกพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภพาสิทธินี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลพรห ม, มายุสูตรที่หนึ่งจบ เสละสูตรว่าด้วยเสละพรามเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นอังคุตราปะพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณหนึ่งพันสองรห้าสิรูปเสด็จถึงนิคมของชาวอังคุตราปะชื่ออาปณนะชะดินชื่อเจนนยะได้สดับข่าวว่าได้ยินว่า พระสมณะโคโดมเป็นศักยะบุตรเสด็จออกผนวจากศักยะตระกูลเสด็จจาริกอยู่ในแคว้นอังคุตราปะพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ1250รูปเสด็จถึงอาปณะนิคมโดยลำดับท่านพระโคโดมพระองค์นั้นมีกิติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ